มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงอภัพนราชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนางพิมพาเยโสธรามีข้อความมันเป็นเบื่องต้นว่าเมื่อรูทตเจ้าประทับอยู่ที่พระเชศตะ ว, วันนั้นเดงพระนางพิมพาซึ่งในขณนะนั้น พญาติวงของพระองค์ก็ได้เ ส, สเด็จออกผระนดนกันเป็นนันมากท่านก็มาปรารัว่าพระสวามีของเราพระโอรสของเราพระนุชาของเรา แ, แม้แต่พระช น, นีก็ได้เสด็จออกผระนวดไปหมดแล้วเราอยู่ในลําพังพระองค์ในหวัง และทำกลางการห้อมลร้องของคนอื่นคือพระญาติใกล้ชิดก็เข้าไปบวชหมดเลยตัดสินพระไทยเข้าไปบวชในสำนักของภิกษุณีด้วยประด้พบกับพระพุทธเจ้าพระราหุลแบบพระนันทะพระนางประชาปดีเป็นต้นซึ่งเป็นพระญาติใกล้ชิดในสถานที่นั้นพระราหุลเองนั้น ก็เนื่องจากจากแม่มาตั้งแต่อย่างเล็กตอนนั้นยังเป็นเนนะครยังเป็นสามเนรก็ไปเยี่ยมพระพิมพาเทรียอยู่เรื่อยๆและพระญาติเหล่าอื่นก็เสด็จไปเยี่ยมต่อมาวันหนึ่งราหุนเสด็จไปเยี่ยมสามเนรราหุลไปเยี่ยมปรากฏว่าพระพิมพาเทรี เป็นโรค เ, เสียดทออ้องก็ลุกขึ้นมาพบไม่ได้สำเร็จในราหุลก็สอบถามว่าเมื่อก่อนอยู่ในวังนั้นเวลาเกิดโรคอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทำยังไงถึงหายท่านต้องการจะไปหายามารักษาพระเทรี บ, บอกว่าเมื่อก่อนอยู่ในวงังก็เพียงแต่ทำ น้ำมะม่วงคือคั้นน้ำมะม่วงทำเป็นปานะแล้วก็ผสมด้วยน้ำตาลกรวดสเสบยก็หายแล้วตมาท่านก็แปลรรว่าแต่เวลานี้เราออกบวชกันแล้วเราจะได้ของเหล่านั้นจากที่ไหนพระาหุล น, นะเขบอกว่าท่า น, นจะไปหามาเองสามเณรนะสัมเณรราหุลบอกว่าจะไปหามาเอง แต่ท่านเองท่านก็นไม่รู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันเนีตอนนี้พระตกถาจารย์ท่านก็นเล่าแทรกว่าที่จริงสามเณรราหุนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าในศาสนานี้ล้วนแต่คนใหญ่ใหญ่ในศาสนาเกี่ยวข้องกับท่านอยู่ทั้งนั้นท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาพระศาริบุตรเป็นโวยชยาพระโมคคัาลานะเป็นอาจารย์ พนันทาพระานนทพระานุนรุตเป็นต้นเนี่เป็นพระเจ้าอาจะเยะไปหมดเลยแต่ก็จริงพอเกิดปัญหาขึ้นมาท่านแทนที่จะไปหาองค์อื่นท่านก็ไปหาพระศาธีบุตรหาแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรก็ไปยืนหน้าเศร้าอยู่ตอนนั้นเป็นเนรนะฮะยังยังไม่บรรลุมรรคผลอะไรพระศาธีบุตรพอเห็นสมเนรราหุลมายืนหน้าเศ้าอยู่ก็ถามว่าเป็นไงวันนี้หน้าตาดูเศร้า ก็เล่าให้ฟังว่าทิชสุนีผู้เป็นมารดาของกระผมป่วยด้วยโรคอย่างนั้นแล้วภาษาริบุตรถามว่าทำยังไงจึงรักษาได้ตังก็เรียนถาวายให้ทราบภาษาไิบุตรตังบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเีย จ, จัดการให้แต่ก็มาในบอกบอกในวันนี้ตอนเย็นนะฮะสมมติวันนี้ตอนเย็นอ้นการบินทบาทมันก็ต้องพูดกันพรุ่งนี้ ไม่จะไปแก้ปัญหาได้ในขณนะนั้นแล้วก็ออกไปเสี่ยงกันอยู่ข้างนอกดูมันจะเจอหรือเปล่ามะม่วงเนี่ยก็ไปขออะไรเขาก็ไม่ได้โดยบรรุกัญชาภาษาภาษาริบุตรท่านก็เข้าไปในหวังพระเจ้าประสิทธิ์พระเจ้าประสิทธิ์นิโคสุพอดีก็เดินในขณะที่ภาษาลิบุตรเข้าไปนั้นก็นายอุทยานบานได้นํามะม่วงสุกทั้งพวงเล มาถวายพระราชาพระราชาก็เหมือนภาษาอิบุตมาแทนที่จ ะ, สะเสวยเองถ้าก็ไม่สเสวยท่านก็คันทำเป็นปาณนาะทำเองเลยทำเองปรุงเองก็วิธีปรุงก็แปลกคือนั่งขยำมะ ม, ม่วงขยำไปก็ใส่ลงไปในบาต ท, ทั้งหมดเลยภาษาริบุตท่านก็ไม่ฉันก็อุ้มบาตรแล้วก็ลาพระราชากลับวัง แกลับวัดประชาชนก็เกิดสงสยัยเอ๊ะทำไมพระคุณเจ้าไม่ฉันแล้วก็ส่งอามาตติติดตามไปดูว่าทําไมไม่ฉันแต่ว่าถามนั่นก็ไม่กล้าถามนะฮะก็อมาตต์ตามไปดูก็พบว่าภาษาดิบุตรเอาไปให้พระราหุลพระราหุลก็เอาไปให้พระชนนีพระนาวิพาเทรีสรเสวยเสริเศตก็หายหายไปโรค ระเจประเส้นที่โกศลพอรู้ข้าวข้อจึงก็เกิดตื้นตันนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็สลดพระทายว่าแล้วท่านเหล่านี้ต้องมาทนลําบากอยู่เพราะถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงผนวดเสียพระองค์เดียวเท่านั้นเองพุทธยาก็ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วพระหุ่นก็ต้องเป็นขุนพลแก้วพระพิมพาก็ต้องเป็นพระเป็นนางแก้วเป็นนารีรัตน์เป็นนารีแก้ว ซึ่งในตอนนั้นถ้าบ้านมือมันเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ต้องเป็นข้าขอบกันนะสีมาของพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วดังนั้นพระองค์จึงตั้งพระทัยว่าจะต้องให้การบํารุงกษัตริย์ทั้งสองสามองค์นี้อย่างเอาปรปตส่ใส่มากแต่แล้วก็ไปประนาทุกพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาบอกว่ามีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งให้ทราบและท่านจะจัดการถวายให้ แค่ข่าวคราวเหล่านี้ก็เรื่องลือไปจนถึงหมู่พระพระปากไม่สุดก็เยอะก็ไปพูดกันว่าพระสารีบุตรเอาน้ําปานะมะม่วงไปถวายพระพิมพาพูดกันไปพูดกันมามันก็จักจะพูดมากไปแล้วเรื่องก็เข้าถึงผูธสํานักพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าสารีบุตร เอามะม่วงให้พระพิมพ์พาไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม้แต่ชาติอื่นก็ยังเคยถวายมาแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลก็รับสั่งเล่า ว, ว่าในอดีตการนานมาแล้วในคราวนั้นพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นบุตรพรามมหาศาลในกรุงสาวในเมืองพาราณสีเมื่อเติบโตเจริญก็ศึกษาเรียนตามธรรมเนียมพรามแต่ในที่สุดก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนเป็นคราวาต์แล้วก็เบื่อ ออกบวชเป็นฤาษีไปอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลานานเจริญชานได้บรรลุจนถึงระดับอภินยาแต่ก็กลับมาสู่ในบ้านในเมืองเพื่อต้องการอาหารที่มีรสเค็มท่านไปอยู่ในที่นั้นพร้อมด้วยบริวารทำให้เท้าส ก, กะซึ่งเป็นจอมเทพรู้สึกเดือดร้อน ในต บ, บะเดชะและความดีงามของมหาฤทศีก็เลยคิดจะเบียดเบียนวางแผนจะเบียดเบียนจะไล่ฤทษีเข้าป่าอแต่จะไปเอาตรงๆก็ไม่กล้าก็เลยก็ไปวางแผนไปแสดงพระองค์ที่ห้องของพระเทวีของพระเจ้าแผ่นดินบอกว่ามีมะม่วง ชนิดหนึ่งชื่ออพันตระตรากว่าใครสเสวยมะม่วงชนิดนี้แล้วจะมีพระชวีวันเปล่งปรั่งสวยงามมีน้ำมีนวลจะมีโอรสเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนื้อกษัตริย์ทั้งหลายแล้วขอให้ปนางกราบทูลให้พระราชาส่งคนไปหามะม่วงชนิดนี้ม า, าสเสวยเพื่อจะได้ผลดังกล่าว รุ่งกัญชาพระเทวีก็ทําทีเป็นป่วยหนักแลก้วก็ไม่เสด็จออกเฝ้าเมื่อประราชาได้ทรงทราบก็เสด็จมาเยี่ยมสอบถามทราบความเช่นนั้นพระองก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาไอ้ามะม่วงอพันธระเนี่ยมันอะไรอพันธระแปลว่าอยู่ในระหว่างนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาศัพท์บันก็แปลไม่ออกเหมือนกัน เสร็จแล้วพวกนักปราตั้งเองทั้งหลายก็บอกว่ า, ามะม่วง3มต้นในต้นกลางชื่ออภัณฑะคืออยู่กลางอยู่ระหว่างมะม่วง2ต้นก็นี้ก็เรียกว่าตีเอาตามรูปศัพท์อธิบายเอาตามรูปศัพท์ทีนี้พนางก็ไปยืดเงื่อนไขแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะชื่ออย่างไงจะเป็นยังไงก็ตามนะครแต่ถ้าหากว่าพนางไม่ได้เสวยมะม่วงนี้ก็เห็นจะต้องตาย นอกจากได้สวยมะม่วงแล้จึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่แม่จะไม่ยอมกินอย่างอื่นประชาชนกจะกลัวเมียนิดหน่อยเลยก็ให้คนก็ไปหามะม่วงเอต้าสกะก็บรรดาลด้วยเอเทวานุภาพให้มะม่วงในสวนนั้นหายไปหมดเลยอมาตย์เองนั้นก็ตีความอย่างนั้นนะครตีความว่ามะม่วงต้นกลางนั้นชื่อว่าอพันธระเพราะมันอยู่ระหว่างทีนี้ ไปต้นไหนมันต้นอยู่ระหว่างมะม่วงตั้งสวนนั่นนี่มันก็พูดยากไปไ ป, ไปนับเอาต้นไหนเป็นเป็นต้นข้างล่ะก็ยุ่งพอรงกรานเหมือนกันแต่พอดีไม่ต้องไปตีความอย่างนั้นแบบเหมือนกับการตีความรัฐนธรรมนูญอะไรเพราะว่าไปถึงไม่มีมะม่วงเลยในสวนท้าสกะแกล้งฤาษีมะม่วงหายไปหมดหายไปหมดก็ไม่ต้องพูดถึงต้นชื่ออพันธระแล้วปัญหาว่า ใครไปกินมะม่วงหมดทั้งสวนไอ้คนก็ไม่รู้จะไปโยนให้ใครนะครับที่สะดวกสบายดีเพราะมะม่วงมีอยู่เมื่อวานในวันนี้มันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เลยโยนแมลงไปที่รือศีก็เหมือนกับคนสมัยนี้ลูกไม่ได้เรื่องก็โยนเข้าวัดไอ้ตาทางปล่อยวัด น, นิสยแบบัยแบบแบบเดียวกันไอ้คนก็เลยประชาชาเมื่อทราบว่ามะม่วงไม่มีเลยในสวนไอ้กลัวมาเหสีจะ ที่วงโคด้วยเลยก็ไม่รู้จะไปโยนแมลงใครก็ไล่ฤาษีออกจากสวนเลยพอไล่ไปแล้วมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องส่งคนไปสืบถามในที่ต่างๆว่า ม, มะม่วงอพันธระนี่มันอะไรแล้วก็มีคนเขาเล่าคนเก่าแก่คนเก่าก็บอกว่าก็ได้ยินสืบๆกันมาว่ามะม่วงเนี่ยมันอยู่ในป่าอิมพานนะไกลมาก คนก็คงจะไปเอาได้ยากเป็น ม, มังโมงเทวดาทีนี้พระราชาก็ยังไงยังไงก็ต้องเอาให้ได้ทีนี้มันก็ไกลอะ่ะพระทำยังไงจึงจะไปได้พอดีพระราชาเลี้ยงลูกสัวโปรโดกคือนกแขกเต้าอยู่ตัวไว้ไว้ตัวหนึ่งพูดคนพูดภาษาคนได้แล้วก็มีตัวก็โตพอสมควร เกตุว่าพอจะบินไปได้เลยก็เรียกมาบอกให้ไปหามะม่วงชื่ออภัณฑะเนี่ย่าให้โดยก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบนกแขกเต้าเป็นนกที่มีความกะตัญยูแล้วก็รักพระราชามรักพระราชารักพระเทวีมากก็อาสาไปไปเสร็จแล้วก็แกก็บินไปไม่รู้สักกีแห่งนะฮะคือเข้าไปสอบถามก็ไม่มีใครรู้บินไปเรื่อยๆไกลไปจนในที่สุดเขาก็บอก ว่ามะม่วงที่อพันธระนะ่ะมันชื่อว่าอาพันดระเองแล้วก็มีคนอารักขามีรากสดอารักขาอยู่แล้วก็มีขายเพชรกั้นเอาไว้ก็เข้าไปเอาได้ยากแกก็ชวนนกแขกต้าเราอื่นในป่าซึงติดต่อกันได้แต่นกแขกต้าเราอื่นไม่ยอมไปด้วยแกบอกถ้าไม่ยอมไปก็ชี้ทางให้ก็ได้กันแกไปเองในสุดแกก็ไป ไอ้พวกรากสดที่เข้าต้นมะม่วงอยู่ก็หลับแกก็เข้าไปเพื่อจะจิกมะม่วงพอดีก็ไปเจอสัญญาณนั่นก็ดังขึ้นแสดงว่าสมัยก่อนก็ก้าวหน้ามาใช้เล่นกันมีสัญญาณอันตรายสัญญาณแจ้งเหตุอะไรทีนี้พวกรากสดก็จับไปาจะฆ่าแตในขณะที่ตกเฉียงเนจะฆ่ายังไงอีกฝ่ายหนึ่งจะกินอีกฝ่ายหนึ่งจะย่างมันยุ่งกันหมดเลยนกตัวเดียวไอ้นอกแกตาก็บอกว่า มะม่วงเนี่ยเป็นของท่านหรือเปล่าที่ท่านจะมาฆ่าเราก็บอกไม่ใช่หรอกของเท้าเป็นส่วนบอกกับท่านนั้นก็เป็นคนมีนายเราเองก็เป็นคนมีนายนักปราท่านกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อได้เลี้ยงดูอุปถมัมภุญชูมาจากบุคคลใดก็พร้อมที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อบุคคลนั้นแต่ารย์ก็ยกบุคคลที่เลี้ยงดูมา คือบุคคลที่เราควรสลัดชีวิตไว้สามคนนะฮะคือพ่อแม่แล้วก็เจ้านายเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีท่านก็บอกว่าท่านจงรักภักดีต่อทําวเปโตรวันท่านทํางานในหน้าที่ของท่านข้าพเจ้าก็ไม่ว่าอะไรแต่ข้าพเจ้านั้นก็จงรักภักดีในเจ้านางข้าพเจ้าจึงเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าก็ต้องทํางานจะตายก็ตายไอรักสดเห็นถ้าพูดจาฉลาดจากนั้นก็เลยบอกไม่ได้หรอก นกนี้เป็นบัณฑิตฆ่าบัณฑิตบาปเลยก็ไม่ฆ่าทีนี้นกแคบตาก็ขอรักสดบอกว่าแมา้แกก็ให้ไม่ได้เหมือนกันพระทาทิตย์ทุวันนะก็ลองนิสยัยใกล้ๆแก่พวกพระเจ้าะพวกพระเจ้ารักษาสวนเจ้าของสวนอีเดนตัวเองก็ไม่กินแล้วก็หวงผลไม้เอาไว้ไปนับไปเสร็จเลยมะม่วงมีลูกกี่ลูก ว่าคนเภาจะกินขี้เหนียวไอ้พวกเทวดานี่สายไหมกรดีทีนี้ในที่สุดแกก็แนะนะฮะรักสดบอกว่าแนะเอาอย่างงี้ก็แล้วกันว่นาฤาษีตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยทวสุวรรณจะนํามะม่วงอภัณฑะไปถวายฤาษีท่านไปปลระฤาษีเอาก็แลกกันเนอาเก๊บ้าก็ไปหาฤาษีไปรออยู่ทเวทวสุวรรณก็นํามะม่วงไปถวายฤาษีสี่ผล ฤศีก็ชั้นเองได้สองผลแล้วก็ให้นกแคกต้ากินได้ผลหนึ่งอีกผลหนึ่งท่านก็ทำเป็นกระชุใส่ไว้แล้วก็ปลูกคอนกแคกต้าให้บินกลับมาก็นำมาให้พระเทวีนำมาให้พระราชาพระราชาก็ให้พระเทวีสวยแล้วก็หายประชวนฮะแต่จะคลอดลูกคลอดพระรสเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหรือเปล่าชาดกไม่ได้บอกไว้ก็หรือพ่อพ่อมันก็ แต่เรื่องของเท้าส ก, กะวางแผนจะเล่นงานฤรีเท่านั้นเองแล้วในทุท้าทงสรุปชาดกชาดกนี้แปลกเวลาสรุปออกมาแปลกคือนกแขกต้าบนั้นได้มาเกิดเป็นพระราหุลฤสีนั้นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรนะครับฤีที่ให้ที่ให้มะม่วงนะครือสีที่อยู่ในอุทยานนั้นคือพระคุทธเจ้า ราชาคือพระอานนท์และพระมมเุสีคือพระพิมพาท่า น, นจะเห็นว่าออกจะปิดฝาปิดตัวพอสมควรสำหรับในชาติในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าเท่าสกกะคือใครนิสัยอย่างนี้น่าจะเป็นมติวัฒน์ตอแต่ไม่ได้บอกฮนะเดอย๋ยไม่บอกก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นประเด็นของชาดกในเรื่องอภันฑรชาดก ตกลงว่าเป็นชื่อของมะม่วงไม่ใช่ชื่อต้นไม้ที่อยู่ในระหว่างก็ไม่ใช่ชื่อต้นมะม่วงที่อยู่ระหว่างกลางประเด็นที่น่าศึกษาประเด็นแรกก็คือเรื่องของพระพิมพาพระพิมพานั้นตอนท่านบวช ท, ท่านจะเห็นว่าเราเคยได้ยินพิมพาพิราบพิมพานิพา น, พานส่วนมากเป็นคํากรอนที่โบราณก็อ่านกันมากแล้วก็ไพเราะมากฮะเพราะว่าในพิมพานิพานนั้นได้เล่าถึงชาดกต่างๆเยอะเหลือเกิน คื อ, อ, อพระพิมพาก่อนจนิพพานนั้นท่านก็ไปกราบทูลลาพระพุทธเจา้าพระ่นิพพานท่านนิพพานตั้งแต่ยังไม่แก่นะฮะแล้วก็เล่าก็ต่างองค์ต่างก็ระลึกชาติได้พระพิมพาก็เล่าถึงว่าความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อพระพุทธเจ้าในชาตินั้นท่านทำยังไงทำยังไงทํำยังไงก็พระพุทธเจ้าท่านรู้อยู่ะฮะแล้วเป็นการประกาศให้เห็นว่าท่านจงรักภักดีกับพระพุทธเจ้ามาตลอดสังสารวัตรเฮะตลอดสังสารวัตรไม่ใช่ตลอดพระชนม์ชีพ เมื่อก่อนเวลาอ่านการคนก็ร้องให้กันไปทัง้งศาลแต่ทีนี้พอท่านบวชเนี่ยท่านไม่เขาไม่เรียกพิมพามีชาดกเล่มนี้เล่มเดียวไปเรียกพิมพาอยู่ที่อื่นก็เรียกพัฒากัจจานาพัฒากัจจานาเป็นพระเท ร, รีระดับพิเศษะฮะสมองค์คือพระสงฆ์ระดับพิเศษเขาเรียกมหาพิญญาเนี่ยมีอยู่สมองค์มีวสาดิบุตรพระโมคคัลลานะพระมหาโกจิตะพระเทรีระดับมหาพิญญาเนี่ย ก็มีพระเขมาพระบวุวรรณพระพัฒากัจจานาก็มี6องค์สาวกพระพุทธเจ้าระ ด, ดับมหาพิญญามาพิญญาหมายความว่าอภิญญาหกเนี่ยมันเยี่ยมที่สุดเลยไม่มีใครทันในเรื่องอภิญญาหกทุกข้อนะฮะทั้งอิทธิวิธิสแสดงฤทธิ์ได้ที่ประสตรูตทิพย์เจโตปริญาณรู้ใจคนอื่นจนถึงระลึกชาได้ น, นี่ระลึกชาติได้ละเอียดพิสดารคือใกล้เคียงกับพุทธเจ้าหมดทั้ง6องนะฮะไม่ใช่ทุกอ ง, องหรอก เพงั้นพระอรหันต์นั้ น, ท, นท่านหมดท่านหมดที่ที่ท่านเหมือนกันจริงๆนะคือกิเลสหมดเท่านั้นเองอย่างอื่นท่านไม่เหมือนกัน่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะบารมีธรรมที่อบรมสร้างสมมาไม่เหมือนกันท่านเสด็จออกพนวดนั้นถ้าดูตามตามประวัติแล้วแสดงว่าในตอนนั้นพระพุทธเจา้าเราไม่ต้องพูดนะพระราหุลก็บวชแล้วพระนนก็บวชแล้วพระรูปปัณทาก็บวชแล้วน้องน้องอะไรเขาเรียกน้องของพระพุทธเจา้าแล้วก็ พระประชาบดีก็บวชแล้วพระเจ้าสุโทธทนะเขาจะจะนิพพานแล้วได้ทำไปแต่ตํารานั้นไม่ได้บอกว่พาพระเจ้าสุโทธทนะนิพพานในตอนตอนค่อนขไปทางปลายพุทธสมัยแต่ไม่ใช่กลางทีเดียวท่านบวชแบบเดียวกับพระรูปปนันธ น, นะนะฮะคือบวชพระว้าเวที่ในวังไม่มีใครเลยพระญาติใกล้จิตมีแต่คนนอกมีแต่ข้าราชบริพานทั้งนั้นเลย ท่า น, น, นก็บวชบวชแล้วก็ได้ความอบอุ่นเพราะว่าพระบิณพานี่ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จเสด็จพระกรุงราชเจครึกในคราวแรกพนะระพุทธเจ้าก็โปรดเป็นพิเศษเพราะว่าท่านเสียพระทัยมากอะตั้งตั้งตั้ ง, ต, งตั้งร่วมสิบปีจากพระพุทธเจ้าไปก็ทิ้งไปประสูติพระโอรสใหม่ๆแล้วก็ทิ้งไปเพราะนเรียวกว่าจิตตกมากเลย เศร้าโศกเสียใจลอกเลียนกิริยาพระพุทธเจ้ารู้ข่าวติดต่อข่าวนะฮะมีคนสืบข่าวเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างหา่างอย่างที่เคยเล่านะฮะทีจริงไม่จะถึงกระโดดเดียวเราลูกกระสัตรก็จะไปปล่อยไปนั่งทรมานโดดเดียวได้ยังไงแต่ไม่แสดงตัวแต่นั้นเองเดี๋ยวไปอยู่เป็นชาวป่าชาวสวนอยู่แล้วคอยถวายอาหารบิณฑบาตอยู่แต่ก็ไม่ไม่แสดงะฮะก็แสดงไม่ได้แต่ก็ลอกเลียนกิริยาของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานอนบนดินก็นอนบนดินด้วย ตอนพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร เ, เนี่ยเพราะนั้ความจงรักภักดีเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเสด็จเยี่ยมถึงห้องนะฮะนำภาสารีบุตรกระโมกกรลานะไปไปเยี่ยมถึงห้องเพื่อก็เรียกว่ารื้อฟื้นฝันนะปลูกปลอบฝัญเพื่อจะมีกำลังใจจะบำเพ็ญเพียรจะศึกษาจะฟังธรรมในโอกาสต่อไปท่านเสียพระไทยมากเพราะฉะนั้นพอไปบวชอีกก็ทุกองค์ภาษารีบุตรก็ต้องไปเยี่ยมพระานลพระอะไรตร่ออะน้องๆอะฮะต้องไปเยี่ยมอยู่เรื่อยเลย ก็คนออกจากเคว้งเวงนานนะฮะต้องเคว้งมานานก็ต้อง อ, อกใจกันหนอ่ออจากการที่พระญาติทั้งหลายสนพระไทยก็พี่ก็อยู่ในวังนะฮะในวังก็พระพุทธเจ้าเนี่ยกระนานพบกันพระราหุลพระนนอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่พบกัรพอออกบวชทั้งก็พบพระญาติทั้งก็สบายขึ้นพระไทยก็ดีขึ้น ก็ปรับมันก็เรียกว่าบ่มอินซีนะฮะบ่มอินซีเพื่อจะรับมรรคผลนิพพานะ่ะก็ต้องช่วยกันบ่มอ่ราะเพราะใครๆก็รู้ว่าพระพิมพาท่านมีปัญหามากเมื่ อ, อ, อทุกองค์แม้แต่พวกพระสาวกพวกภาษาอริบุตรพระโมคคัลลานะซึ่งก็ถือว่าอะไรสำนวนจีนก็เรียกอาจารย์หญิง <g iggle> ก็เอาพระทัยใส่เอาใจใส่ด้วยกันทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ พระไทยก็ดีขึ้นโดยลําดับทีนี้เราจะเห็นว่าการกระทําการกระทําของพระราคุณวิถีชีวิตของพระในสมัยก่อนจริงๆนะฮะคือพระในสมัยนี้มาอย่างนี้ก็กินบุญเก่าแอาศัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้าเยอะเลยป่วยน่อยโยงก็ส่งรถมารับแล้วไปแล้วสบายสมัยก่อนเนะี่ยจ ะ, จ ะ, จ, ะจะหายาหน่อยก็ต้องรอวันรุ่งขึ้น น, นะดีนะฮะโรคไม่หนักเอ่อ บรรดากษัตริย์เหล่านั้นท่านสละของท่านจริงๆแล้วก็ทั้งก็ไม่มีอะไรจริงๆแม้แต่จะหายหน้ำมะม่วงคันนิดเดียวแต่นั้นเองนะก็ต้องรออีกตั้งวันแล้วก็ไม่แน่นะภาษาดิบุตรเองก็เคยเจอปัญหาในลักษณะนี้ภาษาดิบุตรนั้นต้องคือรู้สึกว่าพระพุทธเจา้าภาษาริบุตรพระพิมพานเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับกระเพาะมีปัญหาเรื่องกระเพาะเรื่องลำไส้ยอยู่เรื่อยเลย พระพุทเจ้านั้นก็แน่นอนนะครับเพราะตอนทรมานทุกข์รกริยาเนี่ยคงจะมีปัญหาแยะ่นะฮะไปอดข้าวอดอะไรยเยอะอก็พบโรคแล้วก็จะมักเจอในแนเนี้ภาษาริบุตรท่านก็ฉันนมฉันนมแล้วก็หายนมส้มฉันแล้วก็หาย ก, ก็ก็ดีกันทีนี้การนําอาหารไปให้เราจะเห็นว่าวิธีวิธีของพระอรหันเนี่ยคือภาษาดิบุตรนั้นท่านเป็นพระอรหันแล้วนะครับพระปิมพาอย่างพระเราจำเรนราหุ่นก็อย่าง จำเนรราหุลเมื่อแม่ป่วยมันก็ก็คือลูกที่ห่วงใหญ่แต่ก็จนจนด้วยเกล้าเหมือนกันไม่รู้จะทํำยังไงท่านก็ก็คิดว่าคนที่ที่ท่านพอจะพอจะพูดได้ก็คงจะเป็นภาษาริบุตรอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องของอุปถรรัมภกกรรมกันมาเป็นเรื่องของของบารามีที่ว่าถ้าท่านไปหาพระพุทธเจ้าหาพระานนท์ก็คงได้นั่นแหละพระโมกขลานะท่านก็คง จัดการให้ได้แต่ว่านั้งก็ไปหาภาษาดิบุตรซึ่งเป็นอุปชาชยะใกล้ชิดกันมากภาษาดิบุตรเองก็ไม่ได้แสดงอาการขออะไรนะทั้งก็ไปบินธบาตของท่านตามปกติทีนี้ประเจ้าปัตเสนที่โกศลเราจะเห็นว่าดูดูแลมันก็บังเอิญ น, นะฮะไอ้นี่ก็บารมีไอ้ไอลักษณะบังเอิญอย่างนี้แต่พอข้าไปบิณธบาต แล้วก็มีคนอมมาม่วงมาถวายทันทีพระราชาก็คันมาม่วงถวายพระราชานี้พระเจ้าปรเสนีกุศลปกติมักจะตื่นสายนะวันนี้ตื่นเช้าได้ในประสูตร์เยอะที่ท่านตื่นสายจนจนพระต้องกลับใชเลยเแสดงทั้งบา ร, รมีให้เห็นอะไรอยู่หลายอย่างเหมือนกันว่าพระพิมพาท้องก็มีบา ร, รมีเราก็อาศัยบา ร, รมีกันหลายหลายท่านแล้ก็ช่วยกัน ทีนี้ก็มาด้วยการคันมาม่งวงมันก็แปลก แ, ลแสดงว่าสมัยพระพุทธเจ้าเขาก็ทําอย่างนั้นเนี่ยในอะไรย ม, มกปฏิหารที่ท่านเคยคงจะเคยได้ยินนะฮะที่คันทำอภ า, ารามาถวายมาม่วงแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระนลคันแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ปัจจุบันในอินเดียยังทําปานะแบบนั้นอยู่นะฮะคือถลกเปลือกแล้วก็ครูดลงไปมือครูดลงไปนะ แล้มือแขกนะ้องตีก็ไงกินยังไงก็แต่ว่าแสดงก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นะวิธีทําน้าปานะอย่างอื่นก็ก้าวไปตามปกติแล้วถาวายของในลักษณะอย่างนั้นไม่เชิงอาหารนะฮะไม่ได้เชิงอาหารจริงๆอย่างพระพุทธเจ้ารับแป้งจี่ของนางปุณธาสีมันก็ไม่จะเชิงอาหารบินบาตจริงๆคล้ายๆของว่างนิดเดียว โอ้เจ้าประทับนั่งฉันให้นางบุนาธาสีเห็นเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาของนางจะได้เกิดปีติปราโมทพระทรงรู้ว่อนามพุทธาภาธีปะเดี๋ยวจะตายก็ยนั่งฉันตรงนั้นแต่ภาษารีบุตรไม่ฉันตามปกติก็ต้องฉันต่อหน้าคนถวายนะไอ้ของขนาดนี้พระเจ้าประเสริฐที่ควรสนก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เราลองดูว่าด้วยความเคารพมากครเคารพมากไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเลยต้องส่งคนไปสอบถามดู ล้วไม่ใช่ไปติดตามไปดูว่าท่านทำยังไงนี่ก็การแสดงความเคารพต่อพระอริยะสงฆ์ที่ที่ท่านทำเหมือนกับพระประชาบดีอะไรเวลาไปนฝ้าหลวงพ่ทธเจ้านี่ท่านอุตสาเดินประบาดเปล่าไปจากกรุงกบินละพัด ถ, ถึงตอนนั้นพระเจ้าประทับที่สาวัตถีนะฮะไปเฝ้าถึงเมืองสาวัตถีเลยประบาดระบมไปหมดเลยโกดไม่เคยเดินเท้าเปล่า แสดงให้เห็นนั่งว่าความเคารพหนักแน่นจริงๆแม้แต่ว่ากิริยาอาการบางอย่างซึ่งน่าจะถามได้ยังไม่กล้าถามเพราะถวายความเคารพแต่ทีนี้พอมาถึงเมื่อท่านทราบว่าอะไรเป็นอะไรเราจะพบว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลท่านคิดแบบคนที่เคารพนับถือคิดหรือเหมือนกับท่านนาตบินิกาเศรษฐีคิดะ อนาตบินทิการเศรษฐีนั้นท่านไม่รบกวนพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดปางที่สุดบรรดาอุบาสกก็เหมือนกับอบาติกาคือนางวิสาขาโดยท่านคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนมากเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนถ้าท่านจะรบกวนจะสอบถามปัญหาก็าจะทําให้เหน็ดเหนื่อยสร้างความลําบากให้พระพุทธเจ้าพระงพ่อเจ้าเองนั้นท่านก็ก็มอง มองอย่ำพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งว่าอนาตบินทิกาเศรษฐีนี้คิดจะรักษาเราในเรื่องที่ไม่ควรรักษาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตำหนินะฮะเพราะว่าความเคารพนับถือของท่านแต่ทุกครั้งที่อนาตบินทิกาเศรษฐีมาเฝ้าจะต้องเทศกัน่งทุกครั้งเทศให้ฟังตลอดพระเจ้าปเาสรนโกศลท่านคิดกลับว่าตีต่างว่าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จออกผ น, นวดเนี่ยกษัตริย์เหล่านี้ไม่มาไม่มาลําบากอย่างนี้ขนาดจะเอามะม่วงไปแก้โรคยังต้อง พึงกัเป็นแถวไปเลยพระนางพิมพ์พาเองก็เป็นนารีรัตนะหรืออิทธิรัตนะนะฮะในจักรเเอในรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเขาเรอิทธิรัตนะพระราหุลเองก็ต้องเป็นขุนพลรัตนะพระพุทธเจ้าเองก็ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นท่านเองก็ต้องไปเป็นอย่างนี้คือท่านท่านก็ต้องเป็นข้าขอบกันในสีมาของพระเจ้าจักรพรรดิ แต่เมื่อท่านออกพนวดท่านก็เป็นลูกศิษย์อะดังนั้นจึงควรจะเอาใจใส่ในฐานะที่ควรจะเป็นจริงๆท่านก็เริ่มเอาใจใส่อันนี้นี่คือคือการมองมองในลักษณะคือหมายความว่าภาพจริงๆมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ก็มองกลับไปอีกด้านหนึ่งว่าถ้าถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนี้ทาให้มองเห็นบุญคุณหรือมองเห็นความดีของบุคคลอื่นได้ ก็คล้ายๆกับว่าเราดำลึกถึงบุรพาหมากรรษัตริย์ในอดีตยังเราดำลึกถึงพระเจ้าตากศินมหาราชหรือเมื่อวานนี่ก็เป็นพระนเรศวรมหาราชนะฮะว่าถ้าไม่มีกรรษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้บ้านเมืองเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็เมื่อบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ได้เป็นอย่างเนี้ทั้งๆที่ว่าท่านก็สวรรคตกันไปนานแล้วแต่มันเป็นเรื่องของความเกี่ยวเนื่องกัน การที่เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นได้ก็เพราะมีเงื่อนไขอย่างอื่นที่สืบเนื่องกันมาแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงเราปัจจุบันก็ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นได้ในความสำนึกความกตัญญูความอะไรต่ออะไรต่างๆเราลองดูว่าความ ก, กตัญญูต่อพ่อแม่เออถ้าไม่มีพ่อแมเออ่เราก็คงไม่ได้เกิดมาพ่อแม่เกิดมาแล้วถ้าไม่มีโรงเรียนถ้าไม่มีครูสอนเราก็คงไม่ได้เรียน ไปโรงเรียนครูนั้นถ้าไม่มีราษฎรช่วยกันเสียภาษีเราก็คงจะไม่ไม่มีโรงเรียนสำหรับเรียนครูก็คงไม่มีเงินเดือนอะไรแต่ใดเราก็มองแล้วเราก็มองเห็นได้ชัดว่าทุกส่วนในความเป็นชาติบ้านเมืองนั้นล้วนแล้วแต่มีอุปการคุณต่อเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อมก็ทําให้เกิดเมตตาจิตบุ่งดีปรารถนาดีมองกลับไปถึงบุปการีบุคคลเ่านั้น ที่มีอุปกรณคุณต่อเราทั้งตรงบ้างอ้อมบ้างนะฮะชาวนาที่หน้าดำดำอยู่ในที่ต่างๆนั้นแต่ที่จริงที่ทําให้เราหน้าขาวๆได้ทํำไมท่านเหล่านั้นเราก็คงหน้าไม่ขาวๆเท่าไหร่หรอกคงจะเป็นดำอยู่กลางนาด้วยนี่ก็เป็นการมองในในแง่ที่ที่สืบเนื่องกันไปแล้วก็ทําให้เราเห็นความดีของบุคคลอื่นได้ทาไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงมองตรงนี้ได้ขบมาก ีนี้เรื่องพรานัน้นก็เป็นปกติธรรมดาคือคนมีเรื่องอะไรก็ชอบเอาไปพูดพูดแล้วก็ไปแสดงภูมิปัญญาอะไรก็ขยายเรื่องออกไปให้แสดงว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดเหตุการณ์รอบรัวอะไรต่างๆแต่ เ, เขาบอกว่าข่าวลือในบ้านในในเมืองเราในส่วนมากพวกจิตไม่ค่อยว่างทั้งหลายนะฮะนั่งประชุมกันแล้วก็คุยแสดงว่าตัวเองใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่วงการบริหารบ้านเมืองเอามาเล่าเล่ากัเล่ากันไปเรื่อยเอา่า คนที่อยากดังอยากเด่นสร้างสถานะใหม่ก็ไปขยายสแสดงว่าตัวเองไร้ชีตกับเรื่องเล่าข่าวลือเกิดเรื่องไงบ้านเราไม่หยุดอ่ะนี่ก็ยุทธการข่าวลือนะไม่มีกรมกองไม่มีงบประมาณสร้างแหละแต่เจ้าหน้าที่แยะเลยก็ดีเหมือนกันไม่เปลงงบประมาณเอ่อพวกพระในสมัยนั้นเวลามีเหตุการณ์อะไรทั้นก็เล่าก็เล่าด้วยความด้วยความคงจะศรัทธานั่นแหละคือด้วยความศรัทธาว่าภาษารีบุตรเ อ, อื้อเฟื้อเอาใจใส่ ในพระพิมพาเถรีทีนี้เรื่องเหล่านี้ถ้าพูดเลยไปมาพูดเลยเลยไปได้พูดเลยเลยไปได้พระพุทธเจ้าก็รีบตัดประเด็นก็รับสั่งเล่าชาดกอย่างที่ว่ามาแล้วเพื่อให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆนะให้เห็นว่าท่านเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเป็นคนที่สร้างบา ร, รมีมาด้วยกัน เป็นเป็นอุปการะปฏิการะมากันตลอดในพบในชาติต่างๆเพราะงั้น เ, เกิดมาช่วยกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ในชาดกนั้นประเด็นที่น่าศึกษาก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นท่านทั้งหลายจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าอาเสวะนะปัจจัยคือปัจจัยได้แก่การซ่องเสพมาเองลองติดตามไอ เรื่องพระนะฮะเรื่องพระเราที่พระผู้ใหญ่ที่เรารู้รเนี่ยฮะว่าทําไมท่านบวชอยู่ได้อพื้นฐานใกล้ชิดเราไม่พูดบา ร, รมีไกลนะพื้นฐานใกล้ชิดส่วนมากมักจะเป็นเด็กวัดฮส่วนมากมักจะพ่อแม่จับเข้าอยู่วัดตั้งแต่เด็กๆคือมันไอ้ลูกตุ้มทวงที่รับรู้จากพระนี่สูงกว่ารับรู้จากข้างโลกทําให้แนวโนม้มอัธยาศัยเนี่ยยินดีในความเป็นพระชื่นชมในความเป็นพระก็าฟังกันมาเรื่อยๆฟัง ตามหลวงพ่อไปเทศบั่งอะไรจะใดฟังหลวงพอ่อสอนหลวงพอ่อเล่านิทานชาๆดกให้ฟังมากอะไรดีมันก็ซึมๆไปนะทีนี้ไอ้ตัวเองไม่ค่อยได้รับจากข้างนอกแล้วมารับจากข้างในมันก็หักออกมาด้านนี้แต่ทีนี้ท่านทั้งหลายอาจจะลองวิเคราะห์ตัวท่านเองว่าไอ้แนวโน้มที่ดึงเข้าหาวัดเนี่ยมันก็เพราะอาศัยว่นาปัจจัยที่เราเคยเกี่ยวข้องเคยได้ยินได้ฟังได้อะไรจะใดมันก็หักกันมาเรื่อยๆลูกตุ้มด้านนี้มันก็หนักลงมาหนักลงมาหนักลงมาโดยเราไม่รู้ว่าเราชื่นชมยินดีในเรื่องนี้ พอได้ยินได้ความบางทีก็อยู่ได้แล้วก็สืบต่อกันไปบางคราวก็อยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วเลิกละไปก็แล้วแต่ว่ามันเราเก็บสะสมความดีงามด้านนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดประวัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประวัติที่ออกจะแปลกนะฮะคือตอนสุดท้ายบวชเกือบทุกชาติเลยอันนี้แปลกมากเลยคือแสดงให้เห็นว่ากิเลสนี่มันจางในภบในชาติจาง ก, ก็ทําให้ ชาต่างๆของพระองค์ประนิจขึ้นประนีจ ข, ขึ้นเพราะไอ้ความจางของกิเลสกิเลสเป็นจางก็ยกพบขึ้นในสูงขึ้นยกสภาพจิตตัวเองก็สูงขึ้นพอไปเกิดพอ่อปังก็สูงขึ้นเมือพ่อสูงขึ้นไอ้ประณิจไอ้ไอ้ไอ้ความประณิจของจิตที่สะสมไว้ส่วนหนึ่งที่เป็นบา ร, รมีธรรมบางก็วิเคราะห์โลกมองโลกในสายที่คนอื่นเขาไม่มองนะคนอื่นเขาไม่มองคนอื่นเขาไม่คิดแล้วก็เข้าใจโลก ในแง่นั้นไม่ยึดติดอยู่ในสมบัติจะพาบว่าพระพุทธเจ้ารูจะทุกเกือบจะทุกชาตินะฮะไม่ไม่ขี้เหนียวคือสแสดงไอ้กิเลสสายโลภะซึ่งคลองใจคนมากที่สุดนั้นในใจพระโพธิสัตว์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตะละราชสมบัติทั้งวังเลยออกไปเลยแล้วก็มาวิเคราะห์ความคิดในแนวนั้นแนวแบบสุมเม็ดดาวบทคิดคือในสมัยที่เริ่มตั้งปณิธานเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเคคิดกังท่านอย่างงั้น ท่านมองสมบัติเป็นของนอกกายมองเห็นว่าปู่ยะตาทวดที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้นั้นไม่ฉลาดเอากองกองไว้ในโลกเนี่ยแต่ทำให้คนอื่นต้องรับภาระในที่สุดตั้งก็ละสมบัติเหล่านั้นโดยต้องการนําบุญติดตัวไปด้วยนะนี่ท่านจะเห็นว่ามองระดับนั้นยังยังไม่ถึงกับจะคิดบรรลุมรรคผลแต่ถ้ามองแนวซึง่งอย่างแนวพระธรรมธินาเถริที่เล่าความกันก่อนนะครับอุปิสาขาอุบาสกมอบสมบัติให้ท่านหมดท่านถือว่า โถมน้ําเขล่าให้ท่านกลืนอ่ะมอ ง, มองใครมองได้ก็ก็เป็นบุญนะฮะตามปะกะติมองไม่ได้แย่งได้แย่งสมบัติกันหนูตลุดแย่งมรดกกันหนูตลุดแล้วคนมันมีคนมองได้เพราะอะไรเพราะบารมีธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็เพราะอาศัยวณัปปปัจจัยคือการช่องเสพในปัจจุบันการเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับนักปรารถนา บ, บัณฑิตจิตได้รับการขัดเกลามาทั้งกับมองท่านได้แล้วก็ท่านสบายใจที่ได้ทํา เราจะเห็นว่าเอายกยกยกตัวอย่างคนเรานะฮะคนเราอย่างอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยลองวิเคราะห์ดูจิตของตัวเองก็ได้ว่าความสุขของเราจากการรับกับการให้อะไรเราได้สุขนะถ้าคนบางคนปราบรื้มยินดีด้วยการรับนี่แสดงว่าโลภะอย่างแย่นะฮะดูกันง่ายๆเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมาโลภะแย่เลยแต่ถ้าคนชื่นชมยินดีปีติกับการให้แสดงว่าโลภะมันจางแล้ว ใจมันจางแล้วก็พร้อมที่จะเดินขึ้นไปกรับของหนักได้เรื่อยๆไปแล้วก็สละได้เรื่อยๆไปลักษณะของพระโพ ธ, ธิสัตว์จึงมีจุดเด่นที่ควรสังเกตเอาไว้อย่างหนึ่งว่าตอนสุดท้ายชีวิตจะมีลักษณะอย่างนี้จะสลายสมบัติทั้งปวงจนมาถึงเป็นพระพุทธเจ้ากคค็คือการที่จริงท่านเคยทํามาไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะอย่างนี้ทุกทีเกือบทุกทีไม่ใช่ทุกทีนะฮะเรียกว่าเกือบทุกทีเลยเทีนี้ปัญหาว่าพระอินทร์ตอนนี้ออกจะสารแน่หน่อยนะฮะไม่ไม่ได้เรื่องเดย ก็ไปฤศยาไปฤศยาในความดีของฤาษีนะฮะคือรู้สึกว่าชาตินี้คงจะไกลามากนะับคงจะนานมากดูดูท่าทางแนวความเชื่ อ, อยงังดึกดําบันณเลยก็คือเราจะพราบว่าแนวโบราณแนวเรื่องรามายณะนะฮะต้นเหตุของรามเกียรติท่านจะพบว่าไอ้ไอ้พวกพระอินทร์เนี่เดือดร้อนกับการมาเปล่นเพียนกับฤาษีเลยกัน ส่งคนส่งเทพธิดามารังควานฤาษีกไลโกอดอะไรแต่ใดที่ที่เราเรียนในเรื่องรามเกียรตินี่แสดงว่าเทวดาชอบมาวุ่นวายกับชาวบ้านนะฮะวุ่นวายกับการทําความดีของชาวบ้านมันก็เข้าสู่อย่างหนึ่งคือเทวุเทวุตตมานเป็นเทวดาแต่ว่าทําหน้าที่ของมารมีจิตฤทธิ์ยาในความดีของบุคคลอื่นกลัวคนอื่นจะ ไปยึดครองอำนาจของตัวเองซึ่งลักษณะเหล่านี้มัน ก, ก็เราจะมองมองดูในโลกมนุษย์นะครับรู้ข่าวว่ามีคนดีเกิดขึ้นนะพวกนี้ก็เที่ยวไล่ล่ า, ลาเที่ยวข้าวฟันเราดูวรรณกรรมของจีนเราจะพบว่าเยอะบางทีไปกวาดฆ่าเด็กไปหมู่บ้านหมู่บ้านเลยสกุลสกุลเลยกลนะัวว่ามันจะมาแย่งรสมบัติตัวเองนี่ก็คือพวกไอความริษยาที่อยู่ในใจของคนใหญ่นะฮะต่อมาก็การวางแผนต่าง เราจะเห็นว่าความมันมันเริ่มที่นิสยามันเริ่มที่กิเลสต่อไปมันกิเลสเกิดฮะมันออกมาเป็นโกหกเห็นไหมออกมาเป็นโกหกมันไม่รู้จะโกหกใครก็โกหกพระเทวีเพราะอะไรเพราะผู้หญิงนี่โกหกง่ายทีย่สุดเลยผูผู้หญิงเด็กนี่โกหกง่ายมากต้มเพื่อนต้มได้เลยยุคทุสมัยเลยหลอกินมะม่วงได้ลูกเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิก็จะเอาแล้วมันกินมันเกี่ยวอะไรกันก็ไม่รู้คือคือ ค, อคอแม่ก็คิดนะฮะมะม่วงกัมะม่วงอะ่ะ มะม่วงกับมะม่วงจะมีลูกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิยังไงไม่จะเกิดลูกกับมะม่วงมาเลยนะก็คือไม่มีความคิดที่สมเ <c oughs> หมาะสม <c oughs> ตัดสินปัญหาในในลักษณะที่ว่าตื้นๆนะ่ะเพราะงั้นพระเทวีท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วพออะไรล่ะพอจะเอาให้ได้ก็ต้องทำทีอย่างนี้ทุกทีอะ่ะ นิสั ย, อ ย, งงนน ย, สยอย่างนั้นนะนางกษัตริย์สมัยโบราณน่นนะัางเงี้ยนอนคลุมโปงทำป่วยฮะแล้วก็ยืน่นเงื่อนไขสอกสองอย่างและนี่เยอะเหลือเกินนะฮะเยอะเหลือเกินในชาดกเนี่ยถ้าไม่ได้ขอตายก่อนไม่ได้ก็ตายก่อนพระชาท่านก็อ่อนไหวไปตามนะครับทีนี้เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าเวลามีปัญหาเนี่ยนักคนจะพยายามทำตัวเป็นคนฉลาดก็ ไอ้ข้อเสนอพระอินทร์เองก็ไม่รู้อภันณระมันคืออะไรเหมือนกันนะแล้วพระเทวีเองก็ไม่รู้อภันณระมันคืออะไรทีนี้อนักภาษาก็ตีความอภันณฑะคืออยู่ระหว่างอยู่ระหว่างถ้าลองนึกดูว่ามะม่วงทั้งสวนในต้นไหนมันอยู่ระหว่างระหว่างมันก็ทํามันมีสามต้นในเราพหาได้นับจากไหนนับจากท้ายจากขวาล่ะแล้วก็หาการอุตลุ่สมมุติว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็โง่เองพระอินทร์โง่เองไอ้ที่จริงไม่ต้องทําให้มะม่วงหายอเลยพวกอมาตะก็วิ่งกันหัวปันแล้ว ไม่รู้เอาต้นไหนต้นต้นกลางก็คงจะกลางกันยุ่งไปหมดเลยทีนี้ลักษณะเหล่านี้เรามองดูในสังคมบ้านเมืองเราปัจจุบันก็มีลักษณะงั้นฮะพอมีข่าวมีเรื่องอรอยแล้วโอ้ยนักปราชเกิดขึ้นเยอะเลยนะจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสมมุติว่าปัญหาเศรษฐกิจเนีดูเสนอกันอุตลุดเลยอ่ามีใครที่ล่าฟังวันก่อนนะเมื่อเมื่อวานซืนี่ก็มีปัญหาอีกแล้เขียนเรารู้สึกลงลงสื่อพิมพ์ก็เสนอให้ให้ ให้ข้าราชการบวชให้หมดเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองก็เสนอเสนอคุณนึกเสนอก็เสนอส่งเดชไปแั้นเองแต่นึกแต่การปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้เพราะงั้นคนแบบเนี้ยคนแบบชาดกเรื่องนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยมีปัญหาก็ต้องแสดงความเป็นนักปราขึ้นมาเสนออย่างงั้นตอบอย่างนี้นะบางทีอย่างวันก่อนก็ประชุมทางวิชาการในที่แห่งหนึ่งอันนี้ขำที่สุดเลยนะก็จะเสนอไอ้พระสุขนี่มันเขียนยังไง หลักในรุติศาสตร์นะฮะผาสุกมันเขียนยังไงมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งขึ้นเสนอนะบอกว่าผานั้นแปลว่าหินนะสุกก็คือหินที่มันสุกเพราะฉะนั้นสุกต้องชักสะกดด้วยตกกัวกอไก่ <laughs> ผาสุกมันเป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีมันผาสุกะอย่างนั้นแหละลงนาวุเป็นเป็นนามกิจลงนาวุ ป, ปัจจัยแปลงนาวุเป็นอากะมันเป็นผาสุกะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว <laughs> มันไม่เป็นมันไม่ต้องไปเขียนลงขะอย่างนั้นนะดูสิฮะ พยายามสแสดงเป็นนักปราชญาขึ้นมาจะได้ป้าสอาธรรมดาธรรมดาเนี่ยาผาแปลว่าหินนะสุกก็คือสุกเพราะฉะนั้นหินสุกก็คือต้องสะกดตกไก่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องว่าอย่างนั้นเราคามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือเพื่อสแสดงจุดเด่นของตัวเองบางครั้งบางคราวถูกบ้างผิดบ้างนะเวลามีเรื่องมีราวจะมีคนสแสดงความเห็นแย่ มันอยู่ในพิสัยไหมไม่รู้ไม่ได้รับผิดชอบขอให้ได้แสดงกันแล้วกันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าหากว่ามีหลักฐานมีกฎเกณฑ์แล้วก็แก้ปัญหาได้แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักการอะไรที่ถูกต้องคือมองไม่ได้ตลอดสายก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนีออ้ประการต่อไปก็เมื่อหามันก็หาไม่ได้ประชาชนเองก็รักลักษณะทางอารมณ์นะฮะดันจะเห็นว่ามันก็เกิดผิดหวัง พระราชาเอางท่านก็ไม่คิดว่าฤาษีตนเดียวจะกินมะม่วงหมดทั้งสวนได้ไงพระราชาก็โง่พอสมควรเหมือนกันแน่บางทีอะไม่กินหมดไม่กินมะม่วงหมดทั้งสวนได้ไงพออามานมาทูลว่าพระราชาไอ้ไม่ใช่ฤาษีกินมะม่วงหมดก็ไล่ฤาษีนี่ก็ลักษณะทางสังคมดังที่กล่าวแล้วมันก็คล้ายๆกันในบ้านในเมืองเรานะฮะมีลูกร้อยคนลูกดีๆต้องให้เรียนแพทย์เรียนวิทยาวะเรียนอะไรเนี่ยฮะ คนไม่ได้ความติดเฮโรอีนโง่ดื้อส่งมาให้บวชบวชเราไปด่าพระ่พระพฤติไม่เรียบร้อยก็เอามาไว้เองนั่นแหละเสร็จแล้ ว, ลวออกไปยืนนอกวัดแล้วมันด่าพระต่อคนสมัยนั้นก็เหมือนกันอะไรอะไรก็โยนโยนไปให้ฤาษีนี่รู้สึกจะเป็นคนที่ที่ใกล้ๆจะเป็นที่รับอารมณ์นะฮะเป็นที่รองรับอารมณ์ของของคนบางพวกเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็อย่างอย่างใกล้ๆอะไรใกล้ๆเรื่องนิกายเซน นานมาแล้วเคยเล่าให้ฟังนะฮะที่เด็กผู้หญิงมีท้องขึ้นมาอพ่อแม่จับได้ตามีท้องแล้วชายไม่กล้าบอกโยนแม่ไม่ให้หลวงพ่อในวัดคนเขาก็ไปด่าหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งว่าเออนี่เขาว่าอย่างนั้นเหรอกวเด็กก็คลอดขึ้นมาก็เอาไปให้หลวงพ่อเลี้ยงแต่งก็เลี้ยงให้เสร็จแล้วผู้ชายมันเดือดร้อนผู้หญิงก็เดือดร้อนนะฮะไปทำมาหลวงพ่อเสื่อมเสียมากก็ไปขอขมาลาโทษทาา่านว่าเออก็ว่าอย่างนั้นเนะี่ยไม่รู้จะว่าอย่างไงนะไม่รู้จะว่าอย่างไงเขาก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ ก็ว่าท่านอย่างนั้นท่านก็รับเอาส่งมาให้เลี้ยงท่านก็เลี้ยงเอาคืนท่านก็ให้คืนก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของคนผ่านได้อย่างดีนะฮะแต่ว่าบาป บ, บาปกรรมก็ต้องรับผิดชอบเอาเองเท่านั้นทีนี้ในกรณีของนกแขกเต้าที่ไปสแสวงหาไปไปหาผลไม้ชื่อพันธุระนั้นมีหรือไม่มีนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะรู้สึกมาไปหาไกลเหลือเกิน่ะแต่ว่า ประเด็นที่สําคัญก็คือตัวพาสิทธ์นะตัวภาสิทธ์ที่นกแขกต้าแกกล่าวเพราะคนเราแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไอพวกราชสุดเหล่านั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตึงหมายความว่าการทํางานตามหน้าที่แม้จะต้องเสียสละอะไรก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญแต่ท่านเองต้องก็ทํา ง, ทงานในหน้าที่ของท่านเหมือนกันนะ เราแต้เองก็ทํางานตามหน้าที่ของของตนเองเหมือนกันเพราะฉั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ต่อกันเราจะถือว่าใครผิดใครถูกก็ไม่ได้แล้วก็ยอมรับนับถือซึ่งการรายการตอนนี้รากสดกลับมีเหตุผลนะครัรากสดกลับมีเหตุผลมากคือแม้แต่ว่าตัวเองจะเป็นอะไรเป็นอมนุษย์ชั้นต่ำเรียกรากสดนิถือเป็นอมนุษย์ชั้นต่ำ แต่ก็เข้าใจเหตุผลเมื่อก่อนจนถึงก็จะฆ่านะฮะแล้วต่อมากลายเป็นช่วยเลยสแสดงว่าไอเหตุผลบางทีมันไม่ได้อยู่ในรูปร่างหน้าตาที่ดีๆมันอาจจะอยู่ในรูปร่างของรางสดอย่างนั้นก็ได้ก็บังคับเข้ า, ข า, ขาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอีกแหลนะฮะคนจะเป็นคนเลวแต่คนประเสริฐก็ไม่ใช่พระเา้าแต่คนรูปร่างพิพันณ์อะไรต้นเนี่ยมันก็อยู่ที่การกระทําของบุคคลเหล่านั้นปัญหาก็คือเรื่องทาเวสุวรรณ แล้วนสวรนั้นก็หวงมะม่วงลูกเกินนะเอาตะไคร์ามากั้นเอาไว้นะก็รู้สึกว่าไเทวดาเนี่ยบางทีมันก็กิเลสแยะ้งกันคือไม่ไม่ยอมที่จะเสียสละให้คนอื่นก็เนี่ยทําให้นึกถึงพระเจ้านะฮะทาให้นึกถึงพระเจ้าเนะไอ้ไอ้อะไรล่ะแอปเปิลผลไม้สวรรค์นะฮะตัวเองก็ไม่กินนะไม่จะกินเมื่อไหร่แล้วก็ปลูกไว้ย่างงั้นน่ะเวลามันหล่นมันก็หล่นอ่ะมันก็เสียพอลูก ลูกตัวเองไปกินก็แมาสาปจะเป็นบาปมนุษย์ต้องรับโทษสืบทอดมันจนถึงทุกวันเนี่ยนี่พวกเอธิโอเปียอะไรต่วอะไรอดข้าวอดจากหิวห่วยตายพระเจ้าไปนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่เห็นไปช่วยเหลือดูแลใใในใสัยอันนิสัยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลพวกนี้บางทีไปอินตรงนี้ก็นิสัยไม่ดีแต่เวสุวรรณยังไ ง, ไ ง, ไงนะยังเอามะม่วงไปให้ฤาษียังดีกว่าพระเจ้าเยอะเลยตัวเองไม่กินก็ยังรู้จักให้คนที้ก็กินแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นมา นี่ก็เราเราจะเห็นว่านกแขรกเต้าไปหาคนอื่นกลับไม่ได้พอไปหาฤาษีเรเข้าสูตรอีกคนระพอปัญหาพอจนแต้มกันเราจะเห็นว่าคนคนบางคนในชีวิตไม่ค่อยได้เข้าวัดนะแต่พอจนแต้มกันอย่างก็นึกถึงหลวงพ่อขึ้นมานึกถึงเข้าวัดมันก็สูตรสูตรเดิมนะสูตรของของมนุษยโลกนี่มันก็สูตรมันก็เป็นอย่างนี้คนระับพอถึงจนแต้มกันมาจริงๆก็โชซัตโชเซมาในวัดนะฮะแมแตลุ ลูกศิษย์วัดวรในเวลาเขามีเรื่องมีราวในบ้านในเมืองนะฮะวัดวรเราในพิเศษอย่างนึ่งลูกศิษย์อยู่ตั้งสองฝ่ายลูกศิษย์อยู่ตั้งสองฝ่ายแล้วเวลาเขาปฏิวัติปฏิรูปรัฐบารนั้นลูกศิษย์อยู่ตั้งสองฝ่ายแล้วก็แห่กันมามาชนกันในกุฏิอาจารย์เนี่ยนะก็มากันตั้งค่าคืนดึกๆื่นมากันวิ่งกันขฝักฝ่ายทีเดียวฮะโดยเฉพาะฝ่ายแพ้น่ะวิ่งมาหาไอพวกนี้แม่แมย้ำปกติไม่ค่อยมาหรอกนั้นนเนี่ยพอมาพออย่างนี้แล้วมาในพักดีต่ออาจารย์เล ย, เยคิดถึง มาอยู่ที่ก็มานอนวัดหายไปเลยเวลาไม่ปลอดภัยขึ้นมาก็มาอยู่ในวัด น, นี่ก็มีมีลักษณะอย่างนั้นเพราะไ ป, เ ป, เ, ป, เ, ปเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตที่ทนุถนอมชีวิตนะพอเห็นว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นก็อยางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงที่เราสวดพระพุ้งเวสนังยันติปปตา น, ปนานิปนาณิจนะฮะญาติโยมยังอาจจะไม่เคยแปรนะเวลามนุษย์เราเวลาถูกภัยคุกคามก็วิ่งแสวงหาที่พึ่ง อะไรที่ตัวเองมั่นใจก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะภูเขาต้นไม้จอมปลวกก็ว่าไปก็แล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจเชื่อมั่นว่าอะไรให้เป็นที่พึ่งได้ก็จะเข้าหาสิ่งเหล่านั้นเพราะฉนนกแขรกต้าก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองประเด็นที่นกแขรกต้ากล่าวจึงคมมากน ะ, ะว่าพ่อแม่ผู้บังคับบัญชาคือที่ท่านหมายนะนั้นก็หมายถึงประราชานะะี่ย ว่าเป็นผู้ที่เราต้องรับใช้แล้วก็เสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาท่านเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อทำงานให้ท่านให้ได้ซึ่งเป็นภาสิทธิที่คมก็สร้างความเลื่อมใสสลาย่ความโกรธที่มีอยู่ภายในจิตใจของคนของขอ ง, ของอมนุษย์ระดับรากสดลงไปได้ก็เป็นนั้นว่าพระเทวีก็หายแต่จุดของพระเทวีก็มีปัญหาท่านเจ้าเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเรื่องอะไร มมระป ร, ะริตที่เคยเล่ามานะฮะโมระประริตพระเทวีก็มีลักษณะอย่างนั้นอ่ะนอนมีทอนไม่ได้แล้วขอตายอย่าตายด้วยเลยเอาตายบังคูเรื่อยาตายวันมันกี่ครักงนะฮะพอจะตายจริงไม่เอาฮะข่าชั้นข่าฉั้นให้ตายดีกว่าเดียร้องเพลงอะเสร็จเสร็จแล้วไม่ยอมตายหรอกคือเนี้ยมันก็ลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าคนไม่ได้เปลี่ย น, นความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยมม่รู้กี่ล้านปีแนะก็อย่างนั้นเนี่ยพอมาถึง ในตอนสรุปชาดกาก็ตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะฮะว่าในสังสารวัฏอัญญนยานาเนี่ยมันมันซึ่งเรากําหนดไม่ได้เนี่ยคนในโลกนี้ไม่มีชีวิตไหนที่ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันนะแล้วไม่เคยเป็นเป็นญาติพี่น้องไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันในเรียกว่าไม่มีฮะแต่มันมีเมื่อไหร่แต่นั้นเองมีเมื่อไรแต่นั้นเอ ง, เอเองอยังเกี่ยวข้องกันอย่างศัตรูมันก็ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นศัตรูแต่ก็เคยเป็นศัตรูกันเมื่อไหร่ แดาว่าไม่มีใครที่ไม่เคยเฉยๆกันแดาว่าเฉยๆกันเมื่อไหร่อในความผูกพันในส่วนนี้เราจะพบว่าตามปกติชาดกนี้ที่จะมาบอกว่าไกลนะฮะบอกว่าไกลมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าชาดกรุ่นหลังก็เรียกว่าหลังจากเป็นทุเมสดาบทมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสรุปตอนสุดท้ายว่าพระโพธิสัตว์จะต้องจับคู่กับพระเทพระนางบิมพาอยู่เรื่อยนะฮะทีนี้จับผิดคู่เลย ปิดคู่ยังงงๆงเอ๊ะทไมมัปิดคู่ไปแรงนี้เราก็มองย้อนกลับประชาดกนี้ต้องไกลามากเลยไกลไม่รู้สักกี่หมื่นกี่แสนปีนะไกลามากทีเดียวแล้วดูความเชื่ออะไรตะไรต่างๆ ท, ที่ที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็ออกจะโบราณโบรา ณ, ราณมากแลกแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านี้โดยเฉพาะที่ที่ทรงสรุปไว้นะคะรับภาษารีบุตรซึ่งมาเกิดเออไม่ใช่ฤาษีที่ให้มะม่วงซึ่งมาเกิดเป็นภาษารบุตร พระเทวีซึ่งมาเป็นพระพิมพ์พาแล้วก็ดาวบทที่อยู่ในสวนนะฮะซึ่งมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นกแขกเต่าซึ่งมาเป็นพระราหุนนั้นพอมาถึงชาติปัจจุบันก็มาเกี่ยวข้องผูกพันแล้วก็ใกล้ชิดกันทั้งหมดโดยเฉพาะพระานนท์นี่ออกจะบุญดีชอบกุนนะฮะพรานนท่านท่า น, านมีลักษณะเรียบเรียบเรียบเรียชีวิตของท่านในชาตินี้ก็เป็นยอดเลขา เียบเรียบแต่ว่าในสังสารวัฏเราจะพบว่าท่านเกิดเป็นราชาบ่อยได้กเกิดเกิดเป็นราชาบ่อยเหมือนกับพระอนุรุตนะฮะเป็นท้าวสกกะเทวราชบ่อยได้เกิดซึ่งด้วยบุญกุศลที่แต่ละคนได้สร้างสมบูรณ์ ม, มานั้นก็ในระดับที่ใกล้เคียงกัรมันก็ยุติด้วยอี ก, อ, กอีกแหละนะยุติด้วยหลักที่ทรงแสดงว่าการที่คนจะมาเกิดร่วมกันร่วมกันได้นั้นก็เพราะ คุณธรรมสี่ประการเสมอรหรือใกล้เคียงนะครับถ้าเสมอกันมันก็ใกล้ชิดถ้าใกล้เคียงมันก็ห่างกันไปหน่อยออคือศรัทธาสมามีศรัทธาเสมอกันศีลสมามีศีนเสมอกันจักสมามีจากขะคือความเสียสละเสมอกันแล้วก็ปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันเสมอกันเสมอในระดับไหนละ่ะใช่ไหมเสมอในระดับฐานฐานข้างล่างก็ได้แล้วมันก็เกิดมาร่วมกันในระดับฐานข้างล่าง หรือว่าเสมอไอ้มั น, ม, นมันปริมาณของธรรมะเหล่านี้ถึงจุดนิพานหมดนะฮะสี่ข้อมันถึงนิพานทั้งหมดเลยถ้าอยู่ระดับรามันก็เกิดในภพชาติที่ประนีสูงขึ้นไปแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าคำว่าเสมอการเสมอนในระดับไหนมันก็ใกล้ๆกับน้าขึ้นเสมอกับสิ่งนั้นมันก็ขึ้นระดับน้าก็เสมอสิ่งนั้นขึ้นอีกระดับก็เสมอกับสิ่งนั้นมันก็พร้อมที่จะขึ้นไปสูงสุดได้เหมือนกัน ทำรรมาทั้งหมดนั้นเราจะพบว่าไปรวมไว้ที่จุดสุดยอดคือความสมบูรณ์เพราะความสมบูรณ์มันก็ผสมผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นอะไรสมาญานะเป็นความรู้ในทางที่ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมายานะจิตก็เป็นสมาวิพุทธเพราะงั้นพวกศรัทธาพวกศีลพวกจาะระฆะพวกปัญญาก็มีลักษณะงั้นจุดสมบูรณ์ของเขามาอยู่สูงสุดนั่นอยู่หลุดพ้นจากกระแสของสังสารวัฏแต่ระดับหนึ่งก็คือตกแต่งพบชาติในสังสารวัฏระหว่างคนหลายคนก็ ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีความใกล้ชิดมีความเกี่ยวข้องกันประเด็นที่สำคัญที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของความกตัญญูที่มีอยู่ภายในใจของพระราหุล น, นะฮะพระราหุลท่านเป็นคนที่อะไรคือไข่ต่อการศึกษาแล้วก็มีความกตัญญูอยู่ในโอวาทตลอดเลยนะปีนี้เป็นห่วงเป็นใยไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ปีนี้คือวิชาด น, นะ น, นี้พระชนีประชวน จริงก็ออกบวชกันหมดแล้วแต่แม่ก็คือแม่นะฮะซึ่งพระพุทธเจ้านั้นให้พิเศษถ้ามาพ่อแม่เนี่ยพระสามารถบินตบไปให้ได้เลยโดยไม่ตัวเองไม่ไม่ต้องฉันนะฮะพ่อแม่เนี่ยบินไปเลี้ยงได้เลยยกให้พิเศษพระพุทธเจ้าเองปฏิบัติเป็นตัวอย่างเพราะว่าพ่อแม่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพรหมเป็นพระอาหารหันต์เป็นบุรพาจารย์เนี่ยที่บอกมาดังนั้นการขวนขวายทั้งหมดของภาษาในบุตรก็ดีพระราหุลก็ดีนั่นคือภารากิจ ภารกิจพระสารีบุตรนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะสงเคราะห์ลูกศิษย์กันท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสงเคราะห์ลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์มีปัญหาท่านต้องแก้ให้เพราะว่าพระเราเวลาบวชนั้นอุปชญาญนั้นเหมือนพ่อนะฮะเยวต้องเคารพเหมือนพ่อเลยเวลาสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเวลาเราไหว้นะฮะอุปชญาญอาจารย์เราจะไหว้เลเพราะเราถือว่าพ่อคือผู้ที่ให้ชีวิตเราใหม่อ่ะเราเกิดเป็นพระได้เพราะท่านอุปชาญาก็คือพ่อ พ่อก็ต้องทําหน้าที่พ่อลูกมีปัญหาพ่อก็ต้องแก้ให้พระสารีบุตรท่านจึงไม่ไปหาพระโมคคัลลานะไม่ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ไปหาพระานนท์หรือพระนนท์ก็มาหาพระสารีบุตรอพระราหุลนะฮะมาหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตรงโน้นนะตรงนี้เป็นหน้าที่ที่ลูกศิษย์มีปัญหาท่านต้องแก้ให้พระราหุลนั้นท่านทําหน้าที่ของลูกที่จะต้องปฏิบัติต่อแม่ก็เป็นการเกื้อกูลกัน เป็นการปฏิบัติในลักษณะเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ให้ก็ได้เป็นผู้ให้มาม่่งก็ได้แต่แท้จริงถ้าโดยหน้าที่แล้วพระสารีบุตรไม่ได้มุ่งให้ไม่ได้ให้พระนางพิมพาโดยตรงแต่ก็มุ่งปฏิบัติหน้าที่ของอุปัชฌายะท่านถึงท่านจะต้องช่วยแต่พระเจ้าปเนาสนทโกศลจึงเป็นจุดเริ่มต้น ภาษาพระเจ้าปเสนในกศลท่านก็ทําในฐานะอุบาสกที่จะถวายอาหารแก่พระเมื่อพระรับมาแล้วต้องก็เดินไปกระบวนะารนะมะม่วงนี้ผ่านสี่ห้ามือผ่านไปสี่ห้ามือคนเลยเปจากนายอุทยานบาลมาถึงพระเจ้าปเสนพระเจ้าปเสนมหาภาษาดิบุตรจ้าภาษาดิบุตรไปเจอพระราหุลพระราหุลก็นําไปให้พระพิมพาเทรีล้วนแล้วแต่เป็นการอิงอาศัยซึ่งกันและกันแต่และฝ่ายนั้นปฏิบัติหน้าที่ของตนในอุทยานบาลปฏิบัติตนในฐานะเป็นในอุทยานของพระราชา ประชาชนปฏิบัติตนกับศาบุตรในฐานะที่อุบาสกศาสนาปฏิบัติตนในฐานะอุปัชฌายะของสำแหนนราหุลตำแหนนราหุลปฏิบัติตนในฐ า, า, า, า, า, า, านะที่เป็นลูกของพระติมพาเทรีทุกคนไปทําหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์ถูกต้องสร้างแบบสร้างแผนที่ดีงามเอาไว้นะฮะให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั้งหลายวันนี้พอหมดเวลาลงได้เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม จงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเจอ